233รรวมเรื่องที่มีในจีวรขันธกะจีวรขันธกะมี96เรื่องคือเรื่องคณะกุดุมพีชาวกรุงราชครืพบหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีในกรุงเวสาลีกลับมากรุงราชครืแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้พระราชาทรงทราบ เรื่องบุตรของหญิงงามเมืองชื่อสาละวดีซึ่งต่อมาเป็นโอรสของเจ้าชายอภัยเพราะเหตุที่ยังมีชีวิตเจ้าชายจึงประธานชื่อว่าชีวกะเรื่องชีวกเดินทางไปกรุงตักกศิลาเรียนวิชาแพทย์สำเร็จเป็นหมอใหญ่ ได้รักษาโรคปวดศรีรษะของพันยาเศษฐีที่เป็นเรื้อรังอยู่เจ็ดปีจนหายด้วยอาการนัดยาเพียงครั้งเดียวเรื่องรักษาโรคฤษีดวงทวารของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐเรื่องพระราชทานตำแหน่งหมอชีวกเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์พระสนมนางกำนันและอุปถา พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เรื่องรักษาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤื้ผู้ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะเรื่องรักษาโรคเนื้องอกในลำไส้เรื่องรักษาโรคผอมเหลืองของพระเจ้าปัดโชตหายด้วยให้สวยพระโอสถผสมเนยใสเรื่องได้รับพระราชทานผ้าคู่สิวัยกะ เป็นรางวัลเรื่องสงฆ์พระกายของพระผู้มีพระภาคซึ่งหมักหมมด้วยสิ่งเป็นโทษได้ชุ่มชื่นเรื่องหมอชีวกทูลถวายพระโอสามสครั้งโดยอบก้านอุบลสามก้านด้วยยาเรื่องหมอชีวกกราบทูลขอพรเมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงมีพระกายเป็นปกติแล้วเรื่องทรงรับผ้าคู่สิวัยกะเรื่องทรงอนุญาตขะหะบดีจีวรเรื่องจีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชครื้เรื่องทรงอนุญาตผ้าปาวานผ้าไหมและผ้าโกเชาเรื่องผ้ากำพลราคาครึ่งกาสิยะ เรื่องผ้าเนื้อดีเนื้อหยาบพระผู้มีพระภาคทรงสันเสริญความสันโดษเรื่องภิกษุ ร, รอกันและไม่รอกันเรื่องทายกนําจีวรกลับคืนเรื่องสมมติเรือนคลังเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาผ้าในเรือนคลังเรื่องทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่เรือนคลัง เรื่องจีวรเกิดขึ้นมากเรื่องส่งเสียงดังขณะแจกจีวรเรื่องวิธีแจกจีวรเรื่องวิธีให้ส่วนแบ่งเรื่องให้แลกส่วนของตนเรื่องให้ส่วนพิเศษเรื่องวิธีให้ส่วนจีวรเรื่องย้อมจีวรด้วยโคไม่ เรื่องย้อมด้วยน้ำเย็นเรื่องน้ำย้อมลน้นเรื่องไม่รู้ว่าน้ำย้อมเดือดแล้วหรือยังไม่เดือดเรื่องยกหม้อน้ำย้อมลงเรื่องไม่มีภาชนะสำหรับย้อมเรื่องขยำจีวรในถาดเรื่องตากจีวรบนพื้น เรื่องปลวกกัดเครื่องรองทำด้วยหญ้าเรื่องแขวนจีวรพับ ก, กลางเรื่องชายจีวรชำรุดเรื่องน้าย้อมหยดออกจากชายข้างเดียวเรื่องจีวรแข็งเรื่องจีวรหยาบกระด้างเรื่องพระฉับพักขีใช้จีวรที่ไม่ได้ตัดเรื่องตัดจีวรตามแบบคณา เรื่องทอดพระเนตรเห็นภิกษุแบกหอจีวรเรื่องทรงอนุญาตไรจีวรเรื่องพระชับพักขีทรงอติเรกจีวรชุดอื่นเข้าบ้านเรื่องอติเรกจีวรเกิดขึ้นเรื่องทรงอนุญาตผ้าปักเมื่ออันตรวาศกขาดทะลุเรื่องฝนตกพร้อมกันสี่ทวีป เรื่องนางวิสาขาขอพรเพื่อถวายผ้าอาบน้ําฝนอาคันตุกะพัดคมิกะพัดขิฬานาพัตขิฬานุปัฏฐากะพัดเพสัตทวยาคูและถวายผ้าอาบน้ําแก่ภิกษุณีสง์เรื่องภิกษุนอนหลับขาดสติสัมปชัญญะเพราะฉันโภชนะอันปรณีตเรื่อง ผ้าปูนั่งผืนเล็กเกินไปเรื่องฝีดาษเรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดปากเรื่องทรงอนุญาตให้ถือวิสาสะผ้าเปลือกไม้เรื่องไรจีวรบริบูรณ์เรื่องอธิษฐานเรื่องจีวรมีขนาดเพียงไรจึงต้องวิกับเรื่องอุตราสงที่ทำเป็นผ้าบางสุกุลหนัก เรื่องชายสังคาติไม่เสมอกันเรื่องได้หลุดลุย่ยเรื่องแผ่นสังคาติลุ่ยออกเรื่องผ้าไม่พอเรื่องผ้าเพราะเรื่องจีวรเกิดขึ้นมากเรื่องเก็บจีวรไว้ในวิหารอันทวันเรื่องท่านพระอานนท์เผลอสติ เรื่องภิกษุรูปเดียวจำพรรษาเรื่องภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูการเรื่องพระเถระสองพี่น้องเรื่องภิกษุสามรูปจำพรรษาในกรุงราชครึเรื่องพระอุปนัน tha จำพรรษาแล้วไปอาวาสใกล้บ้านเรื่อง พระอุปนันทะจำพรรษาในอาวาสองแห่งเรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคท้องร่วงเรื่องคนไข้ที่พยาบาลได้ง่ายและพยาบาลได้ยากเรื่องภิกษุและสัมมาเนนเป็นไข้เรื่องภิกษุเปลือยกายเรื่องภิกษุนุ่งผ้าคากรองผ้าเปลือกไม้ผ้าผลไม้ผ้าทอด้วยผมคน ผ้าทอด้วยขนสัตว์ผ้าทอด้วยปีกนกเขาหนังเสือเรื่องภิกษุนุ่งผ้าทำด้วยก้านดอกรักผ้าเหลือกปอเรื่องพระฉับ พ, พักีห่มจีวรสีเขียวห่มจีวรสีเหลืองห่มจีวรสีแดงห่มจีวรสีบานเย็นห่มจีวรสีดำห่มจีวรสีแสดห่มจีวรสีชมพู ห่มจีวรไม่ตัดชายห่มจีวรชายยาวห่มจีวรมีชายลายดอกไม้ห่มจีวรชายเป็นแผ่นสวมเสื้อสวมหมวกโูกผ้าเรื่องจีวรยังไม่เกิดขึ้นภิกษุหลีกไปเรื่องสง์แตกกันเรื่องทายกถวายน้ำแก่สงฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรแก่สงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งเรื่องพระเรวตะฝากจีวรเรื่องการถือเอาของฝากโดยถือวิสาสะและการอธิษฐานเป็นจีวระมรดกเรื่องมาติกาของจีวรแปดข้อจีวระขันธกะ